เมธะเจ้าจรู้แล้วใช่ไหมขณะนี้เนี่ยเจ้าอยู่ในที่อะไรข้าพเจ้าทราบดีท่านอาจารย์ขณะนี้ข้าพเจ้าอยู่ในที่ประชุมพิจารณาโทษในการที่เจ้าทําความผิดไม่น่าเลยไม่น่าอะไรท่านอาจารย์ก็ที่เจ้าพ่ายแพ้ในครั้งนี้นสิเสียแรงที่เราไว้วางใจ คัดเลือกเจ้าเข้าโต ว, วาทีกับสาวกของพระสมณะโคดมโดยเชื่อในความรู้ความสามารถและไหวพริบ ป, ปฏิพานของเจ้าพราะเจ้าได้แสดงความสามารถให้เราเห็นแล้วหลายครั้งเรามั่นใจว่าเจ้าจะนำชัยชนะกลับมาสู่มูคณนะตรงกันขาม เจ้ากลับนำความปลาชัยความอับอายและความหายนะมาสู่หมู่คณะแทนที่เจ้าจะไปตัววาทีกับเรวัตตอย่างแข็งแรงเอาจริงเอาจังหวังชนะเจ้ากลับไปยอมแพ้ตัวเขายังง่ายได้เจ้ากระทำไม่สมศักดิ์ศรีของสาวกคนสำคัญของสันชัยเวรัตบุตร เจ้าควรจะได้รับการลงโทษตามสมควรข้าพเจ้าพร้อมที่จะรับการลงโทษอยู่แล้วท่านอาจารย์ดีอาท่านทั้งหลายเราจะลงโทษแก่สุระเมตาสถานใดจึงจะเหมาะสมข้าพเจ้าเห็นว่าควรลงธนกรรมให้ทำ ง, งา น, นเป็นเวลาเจ็ดวันข้าพเจ้าเห็นควรให้เขาอดอาหารเป็นเวลาหวันแต่ข้าพเจ้าเห็นว่า คนให้เขาปฏบิบัติบ่มรงสาวกอุโสเป็นเวลาเจ็ดวันยังเคมีใครเสนอการลงโทษอีกไหมข้าพระเจ้าเอ อ, อเสนอมาข้าพระเจ้าเห็นว่าโทษท่านต่างๆที่ท่านทั้งหลายพูดมานั้นยังเบาเกินไปสำหรับสุลรเมธีธเพราะเท่าที่ข้าพระเจ้าได้ฟังการโตวาทีระหว่างเขากับสาวกของพระสมณโคดมนั้นเขาไม่ได้แพ้ในเชิงวาทะแต่อย่างเดียว แต่ยังแพ้ในหลักเหตุผลทางศาสน า, าอีกด้วยเขาได้ยอมรับอย่างชื่นตาว่าความจริงมีอยู่และความจริงนั้นคนย่อ ม, มรู้ได้ทัศน์นาอย่างนี้ท่านทั้งหลายย่อมทราบอยู่แล้วว่าขัดกับลัทธิของเราอย่างสิ้นเชิงเมื่อสุลเมีธาไปเห็นด้วยกับทัศนะซึ่งขัดกับลัทธิของเราก็แสดงว่าเขาหมดความเชื่อหมดความเลื่อมใสในลัทธิของเราเสร็จแล้วเขาขาดจากสังกัดของเราเสร็จแล้ว ฉะนั้นข้าพระเจ้าจึงเห็นว่าโทษที่เหมาะสมในส่วนสำหรับเขาก็คือขับไล่เขาออกจากรัทธิของเราเอาไว้ยังไงสุระเวธะตามที่ประชุมเสนอมารีนะ่ะฮะท่านอาจารย์และท่านผู้เจริญทั้งหลายข้อเสนอที่ท่านทั้งหลายเสนอมานั้นล้วนแล้วแต่มีเหตุผล และเหมาะสมอย่างยิ่งแต่ที่ดีที่สุดและข้าพเจ้าเห็นด้วยอย่างเต็มที่ก็คือข้อเสนอสุดท้ายที่ให้ขับไล่เจ้าออกจากลัทธินั่นแะละะสุระเมทะถูกแล้วท่านอาจารย์เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะขับไล่ข้าพเจ้าออกจากลัทธิสุระเมทะเจ้าพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะไปอยู่แล้ว เจ้าจะไปไหนสุรเมธะข้าพเจ้าจะไปอยู่กับพระเรวัตะสุระเมธะเจ้าพูดจริงหรือสุรเมธะถูกแล้วท่านอาจารย์ข้าพเจ้าพูดมานี้เป็นความจริงในที่สุดเหตุการณ์เช่นนี้ก็เกิดขึ้นอีกเมื่อ30สิบปีเสษมาแล้ว เราใ้สูญเสียอุปติสสะหรือพระสารีบุตรและโกริตะหรือโมคาลานะให้แก่พระสมณโคดมไปเขาทั้งสองได้กลายเป็นสาวกเบื้องขวาแล้วก็เบื้องซ้ายของพระสมณะองค์นั้นขณะนี้เรากำลังจะสูญเสียสุราเมธะให้แก่สาวก ของพระสมณะโคดมอีกเราจะถือว่าการสูญเสียครั้งนี้เป็นครั้งที่สามในชีวิตของเราข้าพเจ้าขออภัยที่ทำให้ท่านอาจารย์เสียใจไม่เป็นไรเมื่อเจ้ามีขูห้ามตั้งใจแน่วแน่ที่จะไปเราก็ไม่มีอำนาจใดๆที่จะห้ามปรามเจ้าไว้ได้ ขอให้เจ้าจัดการกับชีวิตของเจ้าเองตามที่เจ้าเห็นสมควรเถอะท่านอาจารย์ที่สำนักของอาจารย์ที่สาป่าโมกแห่งเมืองตะกะศิลาข้าพเจ้าได้เรียนรู้ศาสตร์เครื่องเลี้ยงชีวิตที่สำนักของท่านข้าพเจ้าได้เรียนรู้ศาสตร์เครื่องเลี้ยงจิตใจแต่ข้าพเจ้ามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าจิตใจของข้าพเจ้ายังไม่อิ่มด้วยศาสตร์ของท่าน ต่อเมื่อได้สนทนากับท่านเรวัตตข้าพเจ้าจึงทราบว่ายังมีศาสตร์อื่นอีกที่จะช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจให้ดีกว่านี้เาพเจ้าจึงขออำลาท่านเพื่อเดินทางไปหาอาหารใจแบบใหม่ให้แก่จิตใจอันหิวกระหายของข้าพเจ้าศาสนาของพระสมณโคดมอาจจะไม่ใช่แหล่งสุดท้ายสาหรับเป็นเรือนใจของข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้ายังไม่พอใจต่อพุทธธรรม ข้าพเจ้าอาจจะอำลาเดินทางสแสวงหาเรือนใจอื่นๆต่อไปข้าพเจ้าจึงขอกราบลาท่านอาจารย์และท่านผู้จเจริญทั้งหลายโชกดีเถิดนะสุระเมธะเราไม่ควรไปท้าพระเรวัตตโรวาทีเลยแทนที่จะได้ประโยชน์กลับต้องสูญเสียประโยชน์ไปถึงสามอย่าง คือใช้ชนะสุระเมะและเกียรติยศชื่อเสียงของหมู่คณะ ว่าท่านคงจำข้าพเจ้าได้แน่นอนท่านคือสุระเมธะถูกแล้วข้าพเจ้าคือสุระเมธะท่านมาถึงที่นี่มีชระอะไรหลังจากโตวาทีกับท่านวันนั้นแล้วข้าพเจ้าก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าพุทธธรรมคงจะมีอะไรที่น่ารู้น่าศึกษาอยู่อีกมากทีเดียวท่านคิดอย่างนั้นเลยถูกแล้วท่านผู้เจริญมีอะไรท่านถึงได้คิดอย่างนั้น เพียงแต่ท่านยกเอาความจริงขึ้นมาสองอย่างคือสมบัติสัจจะและประมัติษสัจจะ ก, ก็ให้แสงสว่างทางจิตใจแก่ข้าพเจ้ามากมายเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้จากสำนักสรนชัยเวรัตถบุตรมาที่นี่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ท่านพูดว่าอะไรนะข้าพเจ้าออกจากสำนักสัรชัยมาแล้วไม่ได้อยู่ในละทินั้นอีกต่อไปเพราะอะไรท่านถึงออกมาละ่ะสุราเมธะ ข้าพเจ้าออกมาก็เพื่อจะหาความรู้จากท่านเพิ่มเติมหวังว่าท่านคงจะไม่รังเกียจข้าพเจ้ายินดีที่จะให้ความรู้แก่ท่านเท่าที่จะสามารถให้ได้ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าใคร้ขอเรียนถามสตินี่เลยว่านอกจากสมมุติสัจจานั้นแล้วยังมีอะไรที่ควรรู้ควรศึกษาอีกบ้างแม้ว่าสัจจทั้งสองประกาศนั้นจะเป็นความจริง พระบรมศาสดาของเราก็าไม่ทรงสรรเสริญอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นละ่ะท่านผู้เจริญเท่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าสัจจะทั้งสองประการนั้นไม่ทำให้ผู้รู้สิ้นทุกข์และเหตุของทุกข์คนธรรมดาทั่วๆไป ย่อมรู้สมมุติสัจจะดีเช่นรู้ว่าคนเป็นคนรู้ว่าสัตว์เป็นสัตว์แต่ความรู้เพียงเท่านั้นหาได้ทําให้เขาดีขึ้นไม่กลับจะทําให้เขาหมกมุ่นหลงไหลติดอยู่กับสมมุติบัญญัติของโลกแล้วก็ประสบทุกข์ด้วยประการต่างๆบรรดาศาสดาเจ้าลัทธิทั้งหลายในโลกย่อมมีความรู้แตกฉานในความจริงอันสูงส่งที่อยู่เบื้องหลังของสมมุติสัจจานั้น ตัวอย่างเช่นท่านปะกุฏ ธ, ธะกัดจาย่ะนะได้แยกคนและสัตว์ออกเป็นส่วนต่างๆเจ็ดส่วนคือดินน้ำลมไฟสุขทุกข์และวิญญาณแสดงว่าท่านได้ก้าวข้ามสมมติปิสัจจะเข้าไปสู่ส่วนประกอบภายในอย่างละเอียดท่านรู้ปรมัติตยสัจจะดีแต่ถึงกระนั้นก็หาได้พ้นทุกข์ไม่เพราะเหตุนี้ พระบรมศาสดาของเราจึงไม่ทรงแนะนําสาวกให้หมกมุ่นในสัจจะทั้งสองอย่างนี้แต่ทรงแนะนําพร่มสอนให้สัจจะอีกชนิดหนึ่งอะไรเหรอท่านผู้เจริญสัจจะชนิดนั้นเรียกว่าอริยสัจจะอริยสัจจะความจริงข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังมาเหมือนกันว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธทรงสอนอริยสัจจะแต่ข้าพเจ้าไม่ได้เอาใจใส่ เพราะเข้าใจว่าพระอริยะบุคคลเท่านั้นจึงจะรู้อริยสัจจะเพราะอริยสัจจะแปลว่าความจริงของพระอริยะเจ้าคนธรรมดาสามัญอย่างข้าพเจ้าคงไม่มีโอกาสได้รู้อริยสัจจะแน่ๆเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เลยไม่สนใจจะศึกษาถ้าอย่างนั้นท่านก็เข้าใจผิดคนอื่นๆที่เข้าใจอย่างท่านก็เข้าใจผิดเหมือนกันจริงอยู่ อริยสัจจะอาจจะเป็นความจริงของพระอริยเจ้าแต่ท่านอย่าลืมว่าพระอริยเจ้านั้นเมื่อก่อนท่านก็เป็นคนธรรมดาอย่างท่านอย่างข้าพเจ้านี่เองต่อมาภายหลังท่านได้ศึกษาอาริยสัจจะและปฏิบัติอริยสัจจะจนสามารถดับทุกข์และเหตุของทุกข์ได้ท่านจึงกลายเป็นพระอริยเจ้าหมายความว่าต้องรู้อริยสักจก่อนจึงจะเป็นพระอริยเจ้า ถูกแล้วไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้าก่อนจึงจะรู้อริยสัจจ์เรียบเหมือนการเป็นเศรษฐีผู้ที่จะเป็นเศรษฐีได้ก็ต้องมีความขยันหมั่นหาทรัพย์เมื่อเก็บรวบรวมทรัพย์ได้มากถึงแปดสิบโกรแล้วพระราชาจึงทรงแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีไม่ใช่ว่าพระราชาจะทรงแต่งตั้งใครเป็นเศรษฐีก็ได้และไม่จะทรงแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีแล้วเขาจึงมีเงิน อย่างนี้ใครๆก็อาจจะเป็นเศรษฐีได้ถ้าขยันหาทรัพย์จนมีทรัพย์มากๆเช่นเดียวกันใครๆก็อาจจะเป็นพระอริยเจ้าได้ถ้าศึกษาและปฏิบัติอริยสัจจ์จนสามารถดับเหตุของทุกข์ได้มากน้อยตามควรปฏิบัติ ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเพื่อนเข้าใจแจมแจ้งเดี๋ ynn ี้เองว่าใครๆก็อาจจะเป็นพระอริยเจ้าได้ถ้าศึกษาปฏิบัติอริยสัจจะจนดับทุกได้แต่ข้าพเจ้าก็ยังสงสัยอยู่ท่านสงสัยอะไรอริยสัจญานี้เป็นหลักคําสอนชั้นสูงมีคำสอนสุ ข, ขุมลึกซึ้งเข้าใจยากเหมาะสาหรับคนชั้นสูงผู้มีสติปัญญาและบุญบา ร, รมีมากๆเท่านั้น อย่างนี้จริงหรือไม่ไม่จริงเลยเพราะอะไรอริยสัจจะไม่ใช่ธรรมชั้นสูงสำหรับคนชั้นสูงเท่านั้นแต่เป็นความจริงที่ทุกคนไม่ว่าสูงหรือต่ำอาจศึกษาและปฏิบัติได้ในชมพูทวีปนี้มีพุทธบริษัททั้งสี่เหล่าเป็นจำนวนแสนจำนวนล้านและในจำนวนนี้ก็มีพระอริยเจ้าเป็นจานวนหมืน่น พระอริยบุคคลเหล่านี้มีทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาประกอบด้วยชนทุกชาติชั้นและวันนะพระอริยบุคคลบางท่านเคยเป็นโจรปล้นฆ่าชาวบ้านมาก่อนก็มีบางท่านเคยเป็นคนบ้าใบเสียสติบางคนเคยเป็นคนโง่เง่าท่องคาถาเพียงสี่บทตลอดเวลาสามเดือนก็ไม่ได้ บางท่านเคยเป็นชาวนายากจนเข็นใจบางท่านเคยเป็นเศรษฐีบางท่านเคยเป็นศาสดาเจ้าลัทธิต่างๆซึ่งท่านจะเห็นได้ว่าคนที่รู้อริยสัจจ์จนกลายเป็นพระอริยเจ้านั้นประกอบด้วยคนทุกชั้นทั้งชั้นสูงชั้นต่าทั้งคนรวยคนจนทั้งคนโง่คนฉลาดถ้าอาริยสัจจะเป็นธรรมชั้นสูง เหมาะสําหรับคนชั้นสูงจริงตามที่ท่านเข้าใจกันพระอริยบุคคลก็น่าจะมีแต่คนชั้นสูงเท่านั้นแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะฉะนั้นขอให้ท่านเข้าใจสมัยแล้วที่มีคนพูดกันว่าอาริยสัจะเป็นธรรมะอันลึกซึง้งรู้ได้ยากศึกษาได้ยากละ่ะท่านผู้เจริญเป็นความจริงเพียงใดข้อนี้ก็ไม่จริงอีก ความจริงเป็นยังไงท่านผู้เจริญความจริงมีอยู่ว่าอาริยสัจเป็นธรรมะที่ทุกคนอาจจะศึกษาได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยไม่ต้องเดินทางไปไหนไม่ต้องมีเครื่องมือใดๆประกอบนอกจากใช้ปัญญาธรรมดาธรรมดานี่เองเพราะอะไรท่านผู้เจริญเพราะอาริยสัจะอยู่ที่ตัวเราทุกคนแล้ว อริยสัจจะอยู่ที่ตัวเราทุกคนถูกแล้วอริยสัจจะอยู่ที่ตัวเราทุกคนความทุกข์ก็เต็มแน่นอยู่ในตัวเราสมุทฐานแห่งทุกข์ก็เต็มแน่นอยู่ที่ตัวเรานิโรธและมรรคก็ต้องทำให้เกิดขึ้นที่ตัวเราก็เมื่ออริยสัจจะอยู่ที่ตัวเราแล้วเช่นนี้ เราจึงศึกษาอาริยสัจจะได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนทั้งในที่แจ้งที่รับทั้งในคืนเดินนั่งหรือนอนข้าพเจ้าเพิงพ่งทราบวันนี้เองว่าอาริยสัจจะเป็นธรรมะที่ใครๆก็อาจศึกษาได้ทุกเมื่อข้าพเจ้าจมอยู่ในปรักแห่งความเข้าใจผิดมานานจึงได้เมินเฉยต่ออริยสัจจะตอนที่ท่านอยู่สํานักท่านสันชัย ท่านได้ความรู้อะไรท่านสันชัยพร่ำแต่สอนว่าไม่มีความจริงใดที่คนจะรู้ได้สิ่งที่คนรู้ได้ไม่ใช่ความจริงหรือนี่ท่านเห็นเป็นอย่างไรคำตอบเช่นนั้นเป็นการมองข้ามความสำคัญของสมุติสัจจ์แต่ก็ไม่สนใจในปรมาทัศสัจจ์หรือสัจจะใดๆเลยในที่สุดก็ไม่รู้สัจจะอะไรทั้งสิ้น เพราะเข้าใจว่าสัจจะเป็นสิ่งที่รู้ไม่ได้เป็นการพรากตนจากประโยชน์ที่พึงได้จากการรู้สัจจะทำไมนะเาพเจ้าจึงได้หลงหลอยู่กับลัทิเช่นนั้นเป็นเวลานานอย่าเสียใจไปเลยอุบาสก อดีตที่ผ่านไปแล้วก็เป็นอันผ่านไปแม้จะดีใจหรือเสียใจเพียงใดก็ไม่สามารถจะนํามารื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ได้อย่าได้นํามาเป็นอารมณ์เลยสิ่งที่สําคัญที่สุดในเวลานี้ก็คืออะไรเหรอท่านเรวตตะเริ่มต้นใหม่สายเกินไปซะแล้วยังหรอยังไม่สายเกินไปสุราเมทะท่านยังอยู่ในวัยหนุ่มแน่นยังมีเวลาสําหรับการศึกษา และการปฏิบัติอีกมากจริงสินะท่านพูดถูกเขาพระเจ้ายังมีเวลาเอาล่ะเขาพระเจ้าจะลงมือศึกษาและปฏิบัติอริยสัจจะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่ว่าอะไรอีกละ่ะสุราเมธะเขาพระเจ้าคลองใจยอยู่อย่างหนึง่งท่านยังคล่องใจอะไรอยู่อีกบอกมาเถอะสุราเมธะเขาพระเจ้าคล่องใจในการพูดของท่านที่ว่าอริยสัจจะ เป็นสิ่งที่รู้ได้ไม่ยากแต่เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนพระอริยเจ้าแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยจะสมกันไม่สมกันยังไงสุราเมธะถ้าอริยสัจจะรู้ได้ง่ายทําไมคนจึงไม่รู้อริยสั จ, จเป็นพระอริยบุคคลกันหมดท่านเรวัตต์ตอบข้อนี้เก่กาพเจ้าได้ไหม ได้สิสุรเมธาท่านสงสัยข้อนี้ก็จะอธิบายท่านฟังท่านเรวตรัตอธิบายได้เลยเพราะเหตุใดเมื่ออริยสัจจะรู้ได้ง่ายทําไมคนจึงไม่รู้อริยสัจจะเป็นพระอริยบุคคลเหตุที่คนไม่ค่อยรู้อริยสัจจานั้นไม่ใช่เพราะอาริยสัจจะเป็นธรรมที่รู้ได้ยากแต่เป็นเพราะว่าคนส่วนมากไม่สนใจศึกษาทําไมถึงไม่สนใจศึกษา เพราะอาริยสัจจะขึ้นต้นในทุกคนส่วนมากเกลียดกลัวความทุกข์เป็นทุนอยู่แล้วไม่อยากประสบทุกข์บางคนแม้แต่คําว่าทุกข์ก็ไม่อยากได้ยินพอได้ยินคําว่าเกิดแก่เจ็บตายก็เกิดความไม่สบายใจซะแล้วเพราะเหตุนี้จึงไม่มีใครอยากศึกษาในเรื่องทุกข์ไม่กล้าเผชิญหน้ากับทุกข์พยายามหลบหลีกทุกข์ไม่ยอมรับว่าตนมีความทุกข์ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่รู้อริยสั จ, จและไม่มีทางพ้นจากทุกข์เปรียบเสมือนคนป่วยที่ไม่ยอมรับว่าตนป่วยย่อมไม่มีทางที่จะหายจากโรคคำอธิบายของท่านถูกต้องตามความเป็นจริงมากทีเดียวข้าพเจ้าเองก็เกลียดทุกข์และพยายามหลบปลีความทุกข์เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าอะไรสุรเมธะยิ่งพยายามหลบปลีดูเหมือนยิ่งทุกข์มากขึ้น ไม่มีใครหลบหลีกทุกได้เพราะอะไรท่านเรยตัดเพราะทุกไม่ใช่สิ่งภายนอกที่จะหลบหลีกได้อย่างคนอย่างสัตว์หรืออย่างสิ่งของแต่เป็นสิ่งที่ติดอยู่กับตัวเราทุกคนเปรียบเสมือนสุนัขตัวหนึ่งมีบาดแผลขนาดใหญ่ที่ศีรษะมีนอนเจาะชัยอยู่ตลอดเวลาทำให้มันได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัส มันได้วิ่งหลบหนีความเจ็บปวดเข้าไปอยู่ใต้ต้นไม้หวังว่าจะได้รับความสุขสบายเมื่อเห็นว่ายังเจ็บปวดอยู่อย่างเดิมมันจะวิ่งเข้าไปหลบอยู่ใต้ใชายคาแต่ใชายคาก็ช่วยอะไรไม่ได้มันก็เลยวิ่งเข้าไปหลบอยู่ใต้โครงไม้ซอกหินลอมฟางแต่ก็หาได้พ้นจากความเจ็บปวดไม่มันวิ่งซอกซอนไปตามที่ต่างๆอยู่เช่นนั้นจนตายในที่สุด คนที่พยายามจะหลบหลีกความทุกข์ทั้งที่ทุกข์มีเต็มอยู่ที่ตัวก็ไม่มีทางจะพ้นทุกข์ไปได้ในที่สุดก็ตายเปล่าเช่นเดียวกับสุนัขตัวนั้นแล้วถ้าเช่นนั้นทางที่ถูกควรทำยังไงทางที่ถูกไม่ควรหลบหลีกทุกข์ ทางที่ถูกควรเผชิญหน้ากับทุกอย่างนั้นเหรอท่านเรวัตะถุกแล้วท่านสุรเมธะควรเผชิญหน้ากับทุกอย่างกล้าหาญศึกษาทุกอย่างละเอียดจนรู้แจ้งทุกและสมุดฐานของมันแล้วก็หาทางดับตัวสมุดฐานนั้นเสียโดยวิธีที่ถูกต้องในที่สุดทุกก็จะดับไปเองถ้าอย่างนั้น ในการเริ่มศึกษาอริยสัจจะทั้งสี่เขาพระเจ้าควรจะเริ่มต้นศึกษาทุกข์ก่อนใช่หรือไม่ถูกแล้วควรจะเริ่มต้นด้วยทุกข์ก่อนเพราะอะไรเหรอท่านเรวตต์เพราะทุกข์เป็นของจริงที่เห็นได้ง่ายเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจําชีวิตตลอดเวลาแม้แต่ในขณะนี้อย่างนั้นใช่ไหมถูกแล้วเราสนทนากันอยู่นี่ยเราก็กําลังถูกความทุกข์เบียดเบียน เช่นอะไรบ้างท่านเรวตัตต์เช่นท่านกำลังรู้สึกร้อนรู้สึกหิวกระหายรู้สึกปวดอุจจาระหรือปัสสาวะรู้สึกปวดเมื่อยตามขาและหลังความเจ็บปวดไม่สบายเหล่านี้จะเป็นทุกทั้งสิ้นท่านต้องมันพิจารณาทุกเหล่านี้และทุกอื่นอื่นอีกจนรู้สึกว่าตัวท่านประกอบด้วยร่างกายและจิตใจนี้คือก้อนหินแห่งความทุกข์ ชีวิตคือกระบวนการแก้ทุกข์อันยาวนานตั้งแต่เกิดจนตายเมื่อท่านเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเช่นนี้แล้วท่านก็จะเกิดความสังเวชสลดใจเบื่อหน่ายในทุกข์นั่นก็คือคืออะไรเลยท่านเรวัตะประตูแรกที่จะเปิดไปสู่อริยสัจจากข้ออื่นๆต่อไปท่านผู้ประเสริฐเท่าที่ข้าพเจ้าได้ฟังท่านพูดมารู้สึกว่าชีวิตนี้ทั้งสิ้น เป็นที่เปิดให้ความทุกข์ไม่มีช่องว่าสสำหรับความสุขเลยแต่ว่าพูดต่อไปเถอะสุระเมธาความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ทั่วไปข้าพเจ้าก็ยังเห็นบางคนมีความสนุกสนานดีอยู่แสดงว่าเขามีความสุขอยู่บ้างฉะนั้นชีวิตก็น่าจะมีความสุขอยู่บ้างใช่หรือไม่ถูกแล้วพูดโดยสมมติสัจจะแล้วความสุขก็ย่อมมีอยู่ในโลก โปรดอธิบายข้าพเจ้าหายสงสัยด้วยความสุขที่ว่านี้เรียกว่าโลกียสุขเป็นความสุขชั่วคราวสุขเจือได้ถุกนี่เป็นการสมมติสัจจะแต่ถ้าเป็นปรมัทิตยสัจจะแล้วความสุขก็ไม่มีแล้วที่ชาวโลกเข้าใจว่าเป็นความสุขนั้นละ่ะท่านเรวัตตะนั้นหาใช่ความสุขที่แท้ไม่ไม่ใช่ความสุขที่แท้และเป็นอะไร เป็นเพียงความสะดวกความสบายและความสนุกเท่านั้นขอท่านเรวตะช่วยอธิบายละเอียดอีกสนิดเถอะข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังเชิญท่านเรวตะตัวอย่างเช่นบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มา อยู่ในปราสาทอันวิจิตไปไหนมาไหนได้รถเทียมด้วยมา้าไม่ต้องทำงานหนักเพราะมีข้าทาสบริวารทําแทนทุกอย่างจะไปไหนจะทำอะไรจะบริโภคอะไรมีความสะดวกทุกอย่างไม่ติดขัดไม่ขัดข้องคนทั่วไปเห็นว่าบุตรเศรษฐีคนนั้นมีความสุขแต่ความจริงไม่ใช่ไม่ใช่ความสุขอะไรเลยท่านเรวตต์เขามีความสะดวกา น, น เพราะอาศัยทรัพย์ของตนบุตรเศรษฐีคนนั้นไม่มีความลาบากเลยเพราะไม่ต้องทํางานหนักได้บริโภคอิ่มหนาสําราญไม่มีความลําบากใจเพราะต้องการสิ่งใดก็หาซื้อเอาได้ซับคนทั่วไปเห็นว่าเขาช่ามีความสุขจริงแต่ความจริงแล้วไม่ใช่แล้วคุนเรียกว่าอะไรนั่นเป็นเพียงแต่ความสบายไม่ใช่ความสุขแท้จริงบุตรเศรษฐีคนนั้น ใช้รับไปในทางดูมหรัรสพดูการฟ้อนรำดูการนะเล่นต่างๆฟังดนตรีและเพลงอันไพเราะคนทั่วไปยกย่องว่าเขามีความสุขแต่ความจริงไม่ใช่นั่นเป็นแต่เพียงความสนุกเท่านั้นใช่ไหมถูกแล้วนั่นเป็นแต่เพียงความสนุกไม่ใช่ความสุขที่แท้คนส่วนมากเข้าใจกันว่าความสะดวกความสบายความสนุกสามอย่างนี้เป็นความสุข จึงวิ่งเต้นสแสวงหาซักเพื่อจะนำมาเป็นแลกความสะดวกสบายและสนุกนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้สามารถแลกเอาได้ซักแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นแลกเอาได้ซักไม่ได้ยังมีสิ่งใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ท่านเรวตัตยังมีอยู่อีกประการหนึ่งอะไรเหรอความสุขทางโลกนั้นเป็นเพียงความรู้สึกสบายชั่วคราวในเมื่อความทุก ได้รับการบรรเทาให้เบาบางลงเท่านั้นเปรียบเสมือนบุรุษที่มีฝีหัวใหญ่อยู่ที่แขนได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสเขาจึงให้หมอประกอบยาพอกพอเอายาพอกความเจ็บปวดบรรเทาลงเขาจึงอุทานว่าสุขจริงๆหมอสุขจริงๆแต่ในในช้ายาหมดอานาจความเจ็บปวดก็กลับคืนมา เขาจะได้สวยทุกเวทนาตามเดิมเพราะต้นเหตุที่แท้จริงของความเจ็บปวดคือหัวฝียังอยู่เขาจะมีความสบายเต็มที่ก็ต่อเมื่อเขาบีบเอาหัวฝีนั้นออกและรักษาแผลฝีให้หายสนิทแล้วเท่านั้นยังมีอะไรอีกหรือไม่ท่านเรวตตา ยังมีอยู่อีกขอท่านได้โปรดทุกทุกทำไมทุกเป็นพื้นฐานของชีวิตมีอยู่ตลอดเวลาความสุขที่ชาวโลกเข้าใจกันว่าเป็นความสุขนั้นเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อความทุกข์ลดลงเท่านั้นเปรียบเหมือนความหิวซึ่งเป็นฐานของชีวิตเมื่อถูกความหิวบีบคั้นและไม่มีอาหารบริโภค ทุกคนย่อมจะเห็นได้ทันทีว่าเป็นอะไรความทุกข์ใช่ไหมถูกแล้วทุกคนจะเห็นได้ว่าเป็นความทุกข์ถ้าได้บริโภคอาหารจนอิ่มหนำสำราญแล้วความหิวก็จะหายไปชั่วคราวตอนนี้เองจะมีความรู้สึกยังไงมีความรู้สึกเป็นสุขถูกแล้วความหิวจะหายไปชั่วคราวตอนนี้เองก็จะรู้สึกว่ามีความสุขแต่ใดไม่ช้า ความหิวก็จะกลับคืนมารบกวนอีกต้องบริโภคอาหารแก้กันอีกมนุษย์บริโภคอาหารวันละสามครั้งและบริโภคตั้งแต่เกิดจนตายก็แก้ความหิวไม่ได้เด็ดขาดความหิวจะเป็นพื้นฐานของชีวิตเป็นแต่เพียงความทุกข์ย่อยๆคือความหิวเท่านั้นยังมีทุกข์อื่นๆ อ, อ, อีกนับเป็นสิบสิบประเภทที่มนุษย์จะต้องแก้ไข ถ้าพูดโดยปรมัตถสัจจะแล้วชีวิตนี้ก็คือ